ที่อาตมาได้รับนิมนต์ไว้ตั้งแต่วันที่สิบแปดวันอาทิตย์เดือนที่ผ่านมาบอกว่าวันที่หกวันศุกร์วันนี้ให้มาสแสดงธรรมที่โรงพยาบาลจะเดินกรุงปัสสาักอาตมายังไม่เคยมาทางนี้ การพูดวันนี้อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าอตาตมาเป็นคนทางจมังเลยพูดภาษากล า, างก็ยังไม่เท็าหรือยังไม่ถูกก็จะนั่งกันได้เพราะไม่เคยเรียนหนังสือเขียนหนังสือไทยไม่เป็นอาน่านหนังสือไทยไม่ได้เพราะสมัยอตาตมาเป็นเด็กไม่มีโรงเรียนการพูดธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง อย่างที่เราเคยเรียนมาพูดเป็นปะวัสดิสัส้นๆเพื่อให้เราทุกคนเอาไปใช้กันกับชีวิตของเราในมรักพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาพุทธ <c oughs> เราเคยรู้กันมาดีมีการให้ทานมีการรักษาสินและมีการทำสมาธิ เรียว่ากรมถากรรมฐานนะครับแล้วการเจริญนิพพานกรรมฐานอันนี้มันเป็นคําพูดยืดยาวมามากพอสมควรแต่เมื่อมาพิจารณาความจริงสั้นๆการให้ทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามการทํากรรมฐานก็ตามการเจริญนิพพานาก็ตา ม, ม, าา ม, ตามหมายถึงจะมาแก้ปัญหา ที่ควมสับสนวุ่นวายคือกวมพุกทันใจนั่นเองเราไปทำคนมสงบมันสงบไม่ได้อันนี้พูดควรจริงใจให้พวกเราได้ฟังอาตมาเคยทำาลสงบมาพอสมควรคำว่าสงบนี่มันมีสองความหมายบางคนต้องจำเป็นถ้าไปนั่งสงบอันนั้นสงบจริง แต่มันไม่ใช่ดิ่มพสงบนั่นว่าสงบแบบไม่อยากสงบเราไม่รู้คนสงบอาตมาเองเคยทำมาต้องไปทำคนสงบ ต, ต้องมาหลับตาไม่ให้มองเห็นอะไรต่างๆอันนั้นมันฝืนกับธรรมชาติาพระพุทธเจ้าท่าสอนมาคำว่าสงบเนี่ยหมายถึงอะไรเราไม่รู้แต่เพี้ยนคนสงบท่านอี แล้วท่านสอนว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนท่านให้รู้สึกท่านต้อคนยังไม่พอท่านต้องสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถยอ่อยคู่เยียดเคลื่อนไหวถ้าเรากำหนดอย่างนี้อยู่แล้วควรสงบมันไม่ต้องพูดถึง ที่เราไม่สงบนั่นคือเราไม่รู้ตัวเราเราก็เป็นนั่งทำสมาธิปับตามันฝืนธรรมชาติมันตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ขกงฟังจมูกเราหน้าที่มันจะรู้สึกว่าอะไรเหมิอนอะไรหอมเนี่ยไม่ต้องพูดแต่ก็ได้เรื่องแล้กันดังนั้นเราไปฝืนธรรมชาติจริงเหล่านี้ก็เลยไม่รู้วอมสงบที่จริงคืออะไร ความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นน่ะให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจเร า, าจะไปยุ่งกับสิ่งนั้นเราเพียงมาทำามรู้สึกกับตัวเราเมื่อเรารู้สึกกับตัวเราแล้วสิ่งอื่นไม่เป็นปัญหาดีไหมบางทีเราไม่ได้หา ข, ของจริง คือไปเอาของไม่จริงให้มันเป็นของจริงขึ้นมามันก็เลยไม่คงที่ไม่ถารอดไม่มั่นคงบัด น, นี้เราจ้องศึกษาหาของจริงมันมันมีในคนทุกคนเรื่องคำว่าคนสมบนี่มันมีมานานแล้วตัง้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าย่างไม่ได้ตับสรูุโเยพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าคนสมบุกมีแล้ว แต่วันนี้ก็บอกูดย่อนหลังให้พวกเราได้เข้าใจกันเพีย ง, งสั้นๆในสมัยเจ้าใายิทธัตถกุมารเบืกอเข้าไปใช้ศึกษากับอาล า, ราดาบทอุทกขดาบทสองอาจารย์นี้จนในสมาบัตแ8ความสมบเหล่านั้นเข้าสารออกสารนั้นก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงความสมบหลักศาสนาเท่านั้นเอง คำว่าศาสนาจหมายถึงคําสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำมาสอนเรียกว่าศาสนาสำหรับพุทธศาสนากับศาสนาที่มันผิดกันพุทธศาสนาก็หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคำว่าทำทำคานี้น่ะบางคนไปเข้าใจเป็นตัวหนังสือพุทธสรู้ วิวัตราอารามบูตรวิหามเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นคนี้อาตอมาคือเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ก่อนมาบัดนี้ไม่เข้าใจอย่างนั้นเสียแล้วคำ ว, ว่าธรรมะหมายถึงตัวบุคคลทุกคนเลยจะเป็นผู้หญิงก็เป็นธรรมะเป็นผู้ชายก็เป็นธรรมะคำ ว, ว่าธรรมะหมายถึงการกระทํา คนเรามีการกระทำอยู่สามอย่างโดยการเครื่อการกระทำทางวัตถุเรือว่ากายรูปธรรมงามธรรมหรือนานทางความหมายถึงจิตใจทำด้วยคําพูดคาพูดก็เป็นธรรมสักนิดหนึ่งใจมันคิดก็เป็นธรรมสักนิดหนึ่งทำสามอย่างนี่แหละที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้เมื่อเราศึกษาปฏิบัติที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลย ที่เราไม่เข้าใจก่อนเราไปจำเอาจากํำลับตาลาไปเชื่อของคนนั้นพูดมาไปจำเอาคำพูดของคนนี้พูดมาเราก็าเลยไม่ได้ศึกษาของจริงจริงอยู่ที่อาตมาคยทำเล่าปรบวัติให้ฟังไปนั่งทำสมาธิจ้องเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เห็นพระพุทธรูปภาวนาพุโธม หมายถึงเอาพระเจ้ามาไว้ที่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่จริงจริงแต่เป็นของไม่จริงเพียงเราไม่รู้สิ่งที่ปรากฏการภายในจิตใจเราเท่านั้นเองใจเรามันเลยหลอกเราเนี่ยคนไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักจำเป็นต้องทำเมื่อรู้จักได้จะไปทำทาไมสิ่งเหล่านั้นอันว่าดีนิต่ก็เหมือนกันมันเป็นคาเดียว แต่มันไม่ใช่เต็มนมนีมิย่าที่บุคคลผู้ที่ไม่รู้มาสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีมิตรเราเครื่องหมายหมายถึงเห็นอันนั้นเห็นอันนี้เราไปจออยู่ที่นั้นเ ร, เราลืมใจเราลืมการเคลื่อนไหวลืมการนึกคิดมันก็เลยไม่รู้ของจริงที่อจะมาจะาขอแนะนำวิธีสันส้นๆเราต้องให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว มันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้มีเป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจมันนึกคิดขึ้นมาก็ต้องให้มันรู้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพระสงฆ์องค์ใดก็ปฏิบัติได้รู้นังหรือก็ปฏิบัติได้ไม่รู้นังซือก็ปฏิบัติได้เพจะมาแก้ปัญหาปมสับสวนวุ่นวายนั่นเอง มันตับส่วนวุน่นวายมาเกิดความทุกข์ขึ้นมากเพราะเราไม่เห็นใจนันเองใจก็ไปยึดอันนั้นไปยึดอันนี้มาอันนั้นมันเป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขเนี่ยเราเข้าใจอันนั้นมันไม่ได้เป็นใจเรามันเป็นเพียงมายาของใจใจเราจริงๆเนี่ยทุกคนมันมีใจมันอยู่สบายสบายแต่มันสิ่งที่ทําให้สับส่นไว้ไม่ใช่ใจเราอันนั้นเรียกว่ากิเลส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 ทำข้าขวกล้องําควรมายันสมบูรณ์อตื้นปอกหลอกต้นคำว่าทำนี่เราก็ไม่เคยดูแล้วทำที่มีจกักมีจักรนายหายสูญก็ไม่รู้อาตมาคำว่าทําที่มีจกักรมีจักรนายหายความรู้สึกนี้เองเป็นธรรมมันหนี้ไปเมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นคมรู้กว่าหนีไปเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้กว่าหนีไปมันเหมือนกับเรากัามม้มือแบมือไม่หนี เหยียดมือกำมือให้หีเมื่อเราอยู่กับความรู้สึกเสร็จแล้วความไม่รู้มันหายไปเองเหมือนกับคนที่เข้าไปอยู่ในถ้าเข้าไปในถ้ามันมืดจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายบัดนี้เพียงเรารู้จักวิธีจุดไฟเมื่อเราจุดไแฟแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันหายไปเองจึงไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับ สิ่งที่เราว่ามั น, นจริงจริงเป็นจังอะไม่ต้องไปทําอะไรเพียงเรารู้สึกเท่นั้นเองความไม่รู้สึกจะหายไปเองทำควารู้สึกบ่อยๆทำความรู้สึกบ่อยๆ ค, ความรู้อันนี้จะมากเข้ามากเข้ามากเข้ามาก เ, เต็มสวม่วนเมันจะเกิดญาณปัญญาให้รู้จกักสภาวะธรรมอันนั้นจริงจิงธรรมมากที่สดคือพวกคนนั่นแหละ ธรรมะคือการกระทําการพูดการคิดอาจจะมาพูดไม่ได้พูดกับตาํารานี่พูดกับความจริงพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งสามปีดกแล้วจะเป็นเรียนให้มันจบทั้งสามปีดกมัจบไม่ได้ถ้าสูตรตันตะปิดกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระเวนัยปีดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นตีหมืนสองพันพระธรรมขันธ์ ถ้าอที่ทรมปีดุกเดียวสองสี่มืนสองพันพรรมคันธสองปีดกนี้ไปเข้ากับปดุกเดียวนั้นเป็นแปดหมืนสี่พันรธรมคันมันมากนะจิตแปดสเก้าเจตสิกห้าสิบสองมันมากไปทางนั้นเพียงแต่เราศึกษารัดรัดสั้นสั้นย่อย่ อ, ยอคนเราจะทำอะไรมาจากใจทางนั้นจะพูดอะไรมาจากใจทางนั้น เมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจเราเสียแล้วความไม่แน่ใจของเราคืออะไรขเขาเรียกว่ากิเลสกิเลสมันมาปรุงให้ดีบ้างชั่วบ้างขเข า, า เ, เรียกว่ากิเลสแต่กลมจริงกิเลสเนี่ยมันจอดมามันไม่ได้มีอยู่ที่ใจเราจริงๆอันใจเราจริงๆนัมันเป็นสภาพมั่นคงอยู่อย่างนั้นหมือว่าเราต้องไปทําสมาธิคำว่าสมาธิกหมายถึงตั้งใจอยูนนเองไม่ต้องไปทําอะไรนะหัก ตั้งใจทําการทํางานพูดคิดเราเห็นจิตเห็นใจของเราหักข้ามใจเราได้หักข้ามกิเลสได้นเนาะครับหักข้ามใจเขาว่าหักข้ามใจจะบอกความจริงนั้นหักข้ามกิเลสก็ว่าได้เพราะกิเลสมันจรเข้ามาในขณะที่เราไม่รู้นั่นแหละกิเลสมันเข้ามาปรุงกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปลอะไรก็ตามเนี่ยเราเพียงดูใจเรา จะไม่ได้เอาตาดูเราเพียงจะให้มีความรู้สึกการเคลื่อนไหวภา ย, ยนอ ก, ก่เป็นเรากรรมมือเหียดมืออันนี้เราทำได้สิ่งเราทำไม่ได้มันเป็นเองโดยธรรมชาติมันมีอยู่อย่างที่เราเรียนในตำราว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสีคือทุกขห ม, มทยมีโลหมสี่ข้อทุกต้องกำหนดรู้ สมุทยัทยต้องละมักต้องเจริญนี้โลธทําให้แจก่ตาลาปูดอย่างนั้นแล้วมักต้องกําหนดรู้กําหนดรู้อะไรที่ตรงไหนไม่โูอาตมาแต่ค่นก็ไม่ ร, มมรู้แต่ว่ากําหนดรู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวการนึกการคิดมันบอกไปยาวควรจริงลนะ้วทุกต้องกําหนดรู้ให้เรารู้การเคลื่อนไหวนี้เองสมุทยัทยต้องละละตรงไทยละตัวไหน ละมันไม่ได้พอเดี๋มันคิดขึ้นไปเราก็ปรุงเป็นเรื่องไปเลยของเราเป็นกิเลสความจริงพระพุทธเจ้าท่านพูดแล้ท่านน้อยๆเป็นสั้นสมุทัยต้องละเรากําหนดการเคลื่อนไหวตัวนี้เมื่อมันคินดกึ้พมาเราจับแรงมันวางจากผมคิดเมื่อมันมาหยุ่การเคลื่อนไหวตัวนี้จะมากำหนดรู้ตัวนี้ตัวนั้นไปทําอะไรมันไม่ได้พอดีมันมารู้สึกตัวนี้ตัวนั้นมันเต่ามันเองโดยสมุทัยต้องละมันต้องจเจริญทําบ่อยๆ ทำบ่อยๆต้องเกิดยานปัญญามันจะเป็นเองควมเป็นเองมันมีอยู่ในคนทุกคนมักต้องเจริญนี้โทษทําให้แจ้งทําบ่อยๆมันจะรู้สมุฐานของขวมคิดเมื่อรู้สมุฐานของขวมคิดแล้วเราเคยพูดว่าเป็นอกินนะุศลธรรมเรียกว่าโทสะโมหะโลภะมันเป็นมากเง่าของอกุศลแต่ทางสติ สมาธิปัญญานี่มันเป็นรากเง่าของผุ้สนมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีสติตั้งใจมีสมาธิคือดูเห็นปัญญาก็เกิดขึ้นเรียกว่ายานของปัญญาเขามายานปัญญาไม่ใช่อื่นไกลไม่ได้เหมือนอย่างที่เราไปเรียนกับตำราเนยยานแปลว่าเข้าไปรู้มันเข้าไปรู้เองคือเรากำมืออย่างเนี้ยอันที่เข้าไปรู้นะ่ะเรียกว่าปัญญา รู้มากเข้ามากเข้าเขาเรียกว่ายานปัญญาตัวอย่างนั้นธรรมดามันคําพูดให้เราจับใจควรี่าทุกช่องกำหนดรู้ให้เรากําหนดการเคลื่อนไหวกรมือบ้างพิจตาบ้างหายใจบ้างนําประจับของสิ่งต่างๆจะจับคนอาจจับอันนั้นอันนี้ให้คนนั้นคนนี้เขาต้องให้ดูเหย่ยทุกต้องกำหนรู้พอดีมันคิดปุ๊บเราก็มาอยู่กับคนรู้ตัวนี้ ความคิดที่มันฟรุงไปนั้นก็หายไปเองอันเนี้ยมุทัยจงละมักต้องเจริญคนมันต้องมีการเคลื่อนไหวในเรือดด้วยในอริบยบย่อยเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็กระงรู้เม็ดตัวจิตใจมันจะนึกคิดขึ้นมามื่อกระจงรู้เพราะเราทำเนี่ยทําให้มันรู้เพราะของจริงมันมีอยู่ในคนทุกคนจริงยกเว้นไม่ได้เพาะว่าธรรมะเนี่ยเราไม่เข้าใจโอ้ธรรมคือการกระทํา ธรรมะคือจิตใจมันนึกคิดก็เป็นธรรมะคำพูดที่อาตมาพูดนี่ก็เป็นธรรมะที่พูดออกมาได้ก็เพราะใจใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจคำใจนี่มันจะพูดยังไงกันเลว่านามะธรรมภาษาบ้านและประว่าิกายกับใจภาษาธรรมะเลว่ารูปกับนามมันเป็นภาษาคำพูดดังนั้นครจริงคนทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ แต่เราแก้ปัญหาเรื่องพุกไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้สมุฐานขององค์คิดเมื่อเรารู้สมุฐานขององค์คิดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะมันเป็นเป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เราจะไปยุ่งกับกลุมคิดเท่านั้นเองเมื่เราคิดขึ้นมาเรานอนบางคันนะนอนไม่หลับเพราะมันคิดอยากให้มันหยุดคิดอันอยากให้มันหยุดคิดนั้นอยากให้มันไม่หยุดคิดคือเราอยากคิด เรจะต้องคิดไปกับมันเราวก็อยากให้มันหยุดมันจะหยุดได้ทํำไมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกต้องกําหนดเราไม่ได้มากําหนดตัวนี้มันก็แลังจะกําหนดตัวนั้นพอได้กาหนดตัวนั้นมันก็เข้าไปในของคิดตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสคําว่ากิเลสไม่ใช่มีตัวมีตนกิเลสก็คือตัวมันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นเองเมื่อเราเห็นตัวนั้นพอดีมันคิดปุ๊บเราก็กะดิกมือตั้งแตที่ผมรู้สึกมาอยู่กับปลายมือเหล่านี้แล้ว คนคิดก็วางไปเลยทำบ่อยๆเนยถ้าทําอย่างนี้เล็กๆเหมือนไม่ได้ก็เอามือมาตัดอย่างนี้ก็ได้มันก็หายไปเลยควาคิดเนี่ยหรือเราจะทํำยังไงก็ได้เพียงให้มันรู้สึกแล้วก็คนคิดมันหยุดเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบ่กชาวมูไหยต้องักเราจะเป็นละมันทําไมแต่ให้มันรู้ตัวนี้เมื่อรู้ตัวนี้มันคว่มเป็นเองมันละมันเองมักต้องเจริญน่นักต้องดูต้องรู้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 รู้อย่างนี้แต่ไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างไม่รู้รู้แต่มันไม่รู้รู้อย่างผู้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเะน่ยรู้อย่างผู้รู้รู้แล้วสิ่ง น, นั้นมันไม่ต้องไปยุ่ง ม, มันเป็นเองมันนั่นท่านเรียกว่าให้ทำให้ทำทุกคนทำได้เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้คนฟาดใดพาสาใดาถือศาสนาไหนก็ทำได้ พ้าคนมันมีกายกับใจหรือมีรูปกับนามไม่ใช่ว่าคนถือศาสนานั้นแล้วทําอย่างนี้ไม่ได้คนถือศาสนานี้ทําอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่บวชเป็นพระเป็นเนรจะเลิญไม่ได้อันนั้นผูกหน่อยไม่ถูกมากการรักษาสิ่งก็มีจุดเดียวเท่านี้การให้ทางก็มีจุดเดียวเท่านี้การทําสมถานมีความสงบกําเมิดมาจุดนี้ ก า, ารจาเริญนิทานเพื่อให้เห็นแจ้งรู้จริงกับมาจุดนี้เมื่อมาจุดนี้เราก็เสร็จงานทั้งหมดเลยดังนั้นเราความุกจริงๆแล้วทุกคนไม่ส้างการมันเกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเท่านั้นเองคำว่าลืมตัวนั้นไม่ใลืมโดยไม่คิดถึงไม่ใช่อย่างนั้นลืมตัวในขณะทำพูดคิดเราเคยได้ยินได้ฟังกันามามากอสุกรักสิริขมละอายแก่ใจ คนจะปะคนเกมลัวตบเลยเราไม่น่าอายเกใจเราบางคนคิดอิจฉาเบียดเรียนคนนั้นคนนี้เกมไม่น่าอายแกใจเขาไม่เป็นกลัวตกคนนั้นคนนี้เขาไม่น่าอายดังนั้นคนนั้นจะถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่เป็นได้เป็นคนเป็นได้หน้าตาแขงขามือเท้าเป็นได้คนไม่มีคมละอายได้ทั้งว่าคายคายคุดตัดเอกสาร สัตว์เลี้ยสัตว์เมียกทาอะไรมันก็ทําไปดูนิ่งๆทีเดียวฮมันจะกุญแจลากัสแตว่าที่ไหนมันก็ทําไปได้มันไม่ละอายคนเรามันจะทําอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องมีความละอายเหรอทีนีความละอายแก่ใจคนเราไปลอายแก้ักขั้วตัวนันเองไม่ละอายแก่ใจเราเมื่อเราเห็นใจเรามันนึกมันคิดเราก็เห็นหักห้ามมันได้เมื่อหักห้ามบ่อยเข้าบ่อยเข้าข่วมเคยสิน้น เกิดขึ้นมาเหมือนกับพวกคุณเรียนหนังสือก่อนจะได้มาเป็นพยาบาลเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลจะเิญกลุมปัสสาวะนะนี่ไม่ได้เรียนตีเดียวนะตั้งหลายปีถนะึยังยังยังมีควมรู้มาได้เนวะันนี้เราจะมาทําเพียงวันเดียวให้มันตํานานมาก็ตำนานไม่ได้ต้องทําบ่อยเราไปดูคนเก็บคนไข้แล้วกามือแล้วก็ เ, กเป็น แตาพกับคนไข้ได้พูดกับคนไข้ได้มันคิดแล้วเขารู้ทันทีเราเห็นว่าคนนี้ทําไม่ดีเขาทําดีแต่ใจพูดมันไม่ดีเราก็ต้องดูใจเราใจเราคิดยังไงปุ๊บเราเห็นเนี่ยมันคิดไม่ดีแล้วเอาจับเดอกสารแล้วนี่ไม่ใช่คนเนี่ยใจมันเต้นไม่ใช่โจกคนเต้นแต่ว่าจับมนุษย์จับเอกสารทันบ่อย มนุษย์นี่ก็เป็นตัดได้เลยไม่ใช่แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นสัดใจมันเต้นมนุษย์เนี่ยสามารถเป็นเทวดาก็ได้มนุษย์เนี่สามารถเป็นพระยบุตรก็ได้พวกเรานั่งอยู่ที่นี่บางคนอาจจะทำได้ให้จิตใจเป็นพระยบุคคลก็ได้ไม่ต้องยากวิธีที่อาจาร์มาพูดนี้เรานี้จากความเป็นปุถุชน เข้ามาสู่ความเป็นพระรยาบุคคลก็ใช้ได้ปูธุชนเกือพูดหนาผููเล้งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาเรียกปูธุชนปูธุชนนึกพูดธรรมะเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้เขารู้จะเรื่องให้ทานนรือรักษาศีลเขามาให้ทานแล้วก็มันมีสองอย่างย่าทานอย่างสูงสุดไม่ใช่เกี่ยวข้องกับวัตถุทานจะว่าให้อภัยแก่เขา เขาไม่รู้เขาจริงทําเขาไม่รู้เขาจริงพูดเขาไม่รู้เขาจริงคิดจองให้อภัยเขาบ้างอันนี้ว่าทานอย่างสูงสุดอย่างที่พวกหนูพวกคุณเนี่ยอย่างเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเอายาให้เขาก็เป็นการให้ทานอันนั้นเป็นทานมัดถูกใครใคก็ทําได้อันนั้นนะแต่เรื่องจิตใจนี่มันทําไม่ค่อยเข้าใจเพียงให้เราเข้าใจว่าคำวมาทานเนี่ยอย่างให้ทานก็มีจุดหมาย รักษาสินก็ไม่สินก็แปลว่าปกติถ้าเรางไม่เป็นปกติจะมีสินทําไมสินอันนั้นมาเป็นสินสมมุติอย่างสินห้าตาณอาินากาเมมซสาเป็นสินสมมติสินแปดสินสิบสิสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะรักษาเข่งข้าขนาดไหนเพราะยังไม่เป็นปกติเมื่อไม่เป็นปกติแล้วเราคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วจะจะถือว่ามีสินไหมมี มีโดยสมุติเขามักติ้นหมายถึงปกติคือกายเราก็ปกติใจเราก็เป็นปกติกายเป็นปกติเราจะไปจับอะไรต้องรู้สึกตัวก็ปกติจึงเลยรู้จิตคนไม่มีปกติจะรู้ทําไมใจมันนึกมันคิดมันนึกใจใจเรามันเป็นปกติเราจะรู้มันได้ไหมรู้ไม่ได้มันก็ ท, ทาําไปตามสัมมาตญานของตับเท่านั้นเอ ง, นนองเนี่ยท่นสอนเนี่ยไม่แต่แต่มาจะมาพูดอะไรนะพูดให้ฟังเพียงวัน ต้องการอยากฟังสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจไม่ต้องไปทําอะไรให้มากที่เราไปทําให้มากๆนั่นหรือแปลว่าเราไปทํากับคนผู้ที่รู้อย่างนั้นมาสอนนรือว่าศาสน า, าเขารู้อย่างนั้นเขาต้องสอนอย่างนั้นควรจริงพุทธศาสนาเนี่ยพุทธะเดียวผู้รู้ท่าเดียวผู้สอนคนสอนให้เขารู้ของจริงสอนโดยไม่ผิดพลาดเดี๋ยวพระเดียวเดียวผู้สอนคน โยมสอนกันก็นได้เป็นพระได้เหมือนกันพระไปสอนโยมก็ได้โยมสอนพระก็ได้พระอย่างที่ตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมมุติเขาเรียกวสมมุติสิสงบวนแล้วไปตึกไปตึกแล้วก็ บ, บวชเข้ามาอันนี้ว่าสมมุติสิสงอย่าไปทําลายสมมุติเอาเพียงให้คนเห็นเอาไว้บางคนไม่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ตักีเกิดว่าชืน่นตายจะมีให้เขาเห็นเพียงรูปแบบอันนี้ก็ยังดีแต่เราจะมาติดเสียแค่นี้ เราต้องลึกซึ้งกว่านี้ไปจึงจะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ตัวพุทธศาสนาทุกคนเป็นได้คำว่าพักเปโโลี่ยโรู้เนี่ยรู้ได้จริงๆอาตมาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าพวกหนูพวกคุณเนี่ยเรียนหนังสืออย่างน้อยต้องสี่ปีห้าปีที่จะเขียนหนังสือถูกต้องบัง น, นี้เป็นเรียนพนยาบาลเรียนหมอต้องหลายปีเข้ามาอีกงจ จึงจะรู้โลกของคนเป็นอย่างยำานินแบนี้เป็นยังไงบัดนี้เราไปทําสิ่งที่ไม่ไม่อย่างนี้มันจะเป็นรักษาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราไปทําำสมาธิเหมือนกันไปทําสมาธินั่งหลับตาให้มันสมงบมันสงบเพราตาไม่เห็นอันนั้นสงบแบบไม่อยากสงบสงบอย่างที่ไม่รู้ไม่อยากสงบก็ว่าได้เพราะเราไม่อยากเห็นเนี่ยแล้วตาจะมีทําไมถ้าไม่อยากเห็นเรา หูจะมีทำไมถ้าไม่อยากฟังแล้วมันฟื้ธรรมชาติมาตาต้องสำหรับดูหูต้องสำหรับฟังดีช่วต้องรู้จั ก, จกคัดเลือกเอาให้มันได้ถ้าเราไม่คัดเลือกเอามาใชใ้เป็นประโยชน์กับเราอันนั้นก็ยังเป็นเพียงผู้ทุศนถ้าคนจริงๆมีปติปัญญาจริ ง, รงๆเราเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเอามาใช้กับซีลิกของเราพรชีวิตเนื้อซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ชีวิตยังเป็นสิ่งสำคัญชีวิตมันไม่เคยว่าทุกสิ่งที่มันทุกคือกิเลสนันเองกิเลสนี่แหลมันมันมาทุกก็กิเลสมันล่าเาเองมัาสุกขก็กิเลสมันว่าเอาเอ ง, เาอาเองที่ว่าให้ดูลงที่ใจแต่ไม่ใช้ดูนะคันทับไปดูไปเท่งที่ใจแล้วมันจะมึนสีสาขึ้นมาเดีย๋ยเท่งเกินไปแล้วนั้นตึงเกินไปตึงเกินไปก็ไม่ดียอนเกินไปก็ไม่ดี เพียงเรารู้สึกเบาๆพูดกับเพื่อนแล้วก็พูดให้รู้สึกว่าเราจะพูดเรื่องนี้พูดจบเรื่องก็เทากันคนอื่นแซงขึ้นพูดเราก็ฟังเขาได้เรยกว่าเรามีหูฟังไปเต็มบางนีคนอื่นมาทําที่มันไม่น่าดูตาสําหรับดูแล้วก็ดูใจเราเอ๊ะเขาทาอย่างนั้นเขาเขาไม่รู้เขาจึงทกาก็ัให้อภัยเขาบ้างนะอันนี้เมื่อเขาทางทาไม่ดีอ่า เขาไม่รู้เขาจึงทําพูดไม่ดีเขาไม่รู้เขาจึงพูดดังนั้นพระพุทธเจ้ายู่ทานสูงสุดนั่นคือให้อภัยเมื่อเราเห็นสภาพภาวะเขาไม่รู้ก็ต้องให้อภัยเขาบ้างแนะนําสอนเขาบ้างอันนี้แหละพระพุทธเจ้าอยูย่ทานจึงพไปพูดสอนคนถ้าเรายังสอนเขาไม่ได้กด็จะเป็นพระได้ที่ไหนก็เป็นคนธรรมดาเลยอ่าคน แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคุนใจมันโหดร้ายใจมันเป็นศัตริย์สานเยวมนุษย์สัตยเตโตมนุษนย์สัเนยโกมนุษย์สาตยรัจฉานเนี่ยท่านพูดเอาไว้ไม่ใช่ว่าสัตเหล่านั้นยิ่คนที่พูดอย่างนี้อาจจะมาพูดแล่นในพวกเราก็ต้องเข้าใจคนผู้นิยตาทิตย์ธรรมาตาทิตย์ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่มองทะลุไปเห็น ตับไตไตปอดคนนั้นคนนี้อันนั้นเราคิดขึ้นมาเองตามปกติคนคิดของปุถุชนมันจะคิดอย่างนั้นคําว่าตาทิพย์เนี่ยเราต้องหมายถึงการมองเห็นสภาพควมเป็นอยู่ของคนและตับหิวเทกว่าเช่นเดียวกันเรื่องอิดที่ปฏิหารทำสมาธิทำมิปัจนาอันนั้นเป็นการเข้าใจของปุถุชนมันนั้นไม่ได้เข้าใจแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ฟังดีๆนะให้พูดอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจเราจะเป็นึกย้อนหลังไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตัดสินุปเป็นพระพุทธเจ้ามาใหม่ๆพระอรหันต์นะข่ากิเลสต า, ายกิเลสหลุด น, นึกว่าจะไปโส ด, ดอาจารย์สององค์อน า, าดาบุตรกาบุตรอาจารย์ตายแล้วอย่างนั้นเพียงําราพูดกรูบาอาจารย์เราให้ฟังไม่ต้องไป เราคิดเห็นพวกปัญ จ, จวัคคีทั้งห้าพราปัญ จ, จวัคคีทั้งห้ามีศรัทธาโดยเราคงจะมักโดยเราชอบโดยเราเดิน ม, มามาพบกับนักบุตรท่านจะลุก ข, ของใครอยู่สมัยไหนคุณาการย์ของท่านสอนเรื่องอะไรพระพุทเจ้าก็บอกตรงๆเพราะดีบอกตรงๆแล้วขบกา่าที่ว่าคนนั่งก็เลยไม่เชื่อ หันหลังให้ในแรกเดินไปดลยถ้าพระพุทธเจ้ามือตาทิพย์มองเห็นแราพูดอย่างเนี้อุปการอุยกเนี่ยไม่ชอบพระพุทธเจ้ากจ้องไนพูดอย่างนั้เนเพราะพระพเ จ, จพ้ า, งงาพูดจริงเราไม่เข้าใจคำพูดนั่นเอ ง, เองถ้าหาพระพุทธเจ้ามือตาทิพย์อ้อพูดอย่างเนื้อุปการอุยกเนี่ยมนจะไม่ชอบแต่ก็หลบมาพูดให้อุปการอุยกพูดชอบอุปการอุย ก, กจะได้รู้ธรรมะ ก, กับเรา แล้วเข้าใจอย่างมันติดวันอันนั้นบุรุชนจะต้องพระอาหาันมองเห็นอ้ามันจะมองเห็นทําไมผุกคนจึงไม่ฟังแล้วคนผููที่ยังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะคือคนธรรมดานี่เองนต่พูดอย่างนี้ก็อาจจะผิดผิดกับคนประสงค์ของบุคคลบางคนนะทำเลยจะเป็นคนธรรมดาก็ว่ากันว่าก็เป็นคนธรรมดานี่เองท่านไม่ได้ถืออะไร ไม่ได้ถูอเกลียดไม่ถือทศฐานดบเนจักอะไรท่านก็เห็นทุกคนเป็นสภาพเหมือ น, นกับเราแล้วทวกคนก็ตายเป็นแล้วจะเดินได้มาได้เมืองจะไปถืออะไรท่านหนักหนาท่านพูดอย่างนั้นเราเคยได้ยินมาในวันมะหรือวันมะที่ประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าเป็นเลิศละกท้หมดเลยท่านไมไ่ถืออะไรแต่เราอย่ดีไล้ได้ยินอย่างนั้นเจะสอนให้กัน มีอำ น, นาจมีเกียดมียกมีนิสถาบัณดาสล ะ, ะสอนข้าไปอย่างนเรื่องมันเลยปวดควมเบลล์ร้อนดุ้ยเยงออ่กันอยากได้นิสถาบัณดาสอยากได้อำ น, นาจทันนั้นอันนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านให้ถือว่ามันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองมันเป็นเพียงสมมุติอยากไปยึดไปตีแต่ให้รู้อยากไปสม ม, มุติอยากไปทำลายสมมุติ เอาสมมุติไว้ให้คนบุกคนที่ไม่รู้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่ยึดไม่ดิบสมมุตินั้นท่านคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเกิดมาีหลังพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนี่มีมากดังนั้นหลักพุทธศาสนาจริงว่ามันคนที่เข้าใจหลักพุทธศาสนามีน้อยเพราะโคไม่ได้สอนของจริงกัน ถ้าบ้านอาตมาพูดมันพูดไปทางภาษาพระหลิศสา ร, ปรเป็นเนียมพระหลิศสารคนภากลางฟังอาจจะไม่รู้เดี๋ยวไปยกขายกกระดุ่งหรือยังยกอะไรเดียวแล้วก็ยกขึ้นไปจับตาเนี่ยเีวยว่าอะไรเนี่ยเมื่อเขาต้องการไปยกเขาต้องการตาเขายังไปยกเมืยกขึ้นมาแล้วเขาเอาตาคนมานุ่งง้องเราก็เหมือนกันเขาหวังอะไรอะไต่างๆ เขามายกงอองเรายตจุเที่องเขายกและขาแลวไปแต่เราต้องอยู่สภาพเดิมของเราคนนั้นมันยกงอเรามันเปลี่นเพียงสมมุติเขาจะเอาอะไรให้เราบ้านที่เขาต้องการอยากได้อะไรจากเราเขาบายนยกงอเราีใเป็นอย่าง๋ยวพระพุทธเจ้าจู่เป็นสภาพเดิมจิตใจของคนมันมั่นคงทาวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรถัน เจอยู่สภาพนี้มันมีประภพนี้อยู่ในคนทุกคนอาจจะมาจิ้กล้ารับรองได้ว่าถ้าหากเราจะไม่รู้เดืวอนี้นะจวนจับลมหายใจทุกคนจะไม่หนักเนะย่องนี้ต้องประสดับเพลิงการเรวนะี้ไม่นนไม่เจ้าถามใครเลยรับรองได้ทุกคนจะประสบกับสิ่งที่เรา ไม่จ้องการนั่นแด็แต่เราไม่รู้สิ่งนั้นมันมีประโยชน์แกเรากับเราแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นแหละมีค่าคุณมากที่สุดแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นมีค่ามีคุณมากอัตมาก็ไม่รู้เพียงทําคนรู้สึกตัวทําคนรู้สึกใจแปลว่าได้ต้นทางถ้าเรารู้สึกการเคลื่อนไหว ร, รู้สึกจิตใจนึกคิดเขาเรียอวอะ จักสุปัญญายอกพระโสดาบังบุคคลเขได้ถ้าโสดาบันบุคบนบคนเลือกตำราเขาพูดแบบยุ่นดื้อเขากลัวหัวเนียตามประเพณีเพราะตัวดื้อเนี่ยมันจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อเราจะบวชลงหายใจนี้โดยแทุกคนห น, นีไม่พ้นอาจจะมาพูดดื้อพูดโดยคมจริงใจเพราะว่าไม่เคยได้มาทางนี้มาก็ต้องพูดคนจริงให้ฟัง ดังนั้นเราควรศึกษาเอไาไว้ให้มันมีไว้ในเราเมื่อเราศึกษามีไว้ในเราแล้วเราจะเอามาใช้เวลาใดก็ได้เมื่อเรายังไม่มียังไม่เติมจะเอามาใช้ไม่ได้วะจําจเป็นต้องเป็นตรงรู้จำเป็นต้องเปลี่ยนจุดจะหมดลมหายใจยเรียนแ น, น, น่นอนที่สุดยกเว้นไม่ได้ถ้าท่านสอนเอาคนมีกิเลสต้องเกิดอีกคนใดไม่มีกิเลสเขาไม่เกิดจะท่านสอนกิเลสมันมาไหน ก็ไม่รู้อันนี้หนึ่งมันก็เกิดทุกข์เกิดุเกิดทุกเกิดปุ๊บเยอะเมื่อเจอจุดนั้นแล้วจุดเว่าไม่ต้องเกิดอะไรแล้ว ท, ท่านบอกอย่างนั้นเพขาะควมทุกข์มีแค่นี้สุดสาให้รู้จักทุกข์สุดสาให้รู้จักเหตุให้เกิดสุดสาวิธีดับทุกข์ท่านสอนแต่เราไม่ไมสุดสาอย่างนี้ศึกษาเอาคนรู้ แต่ทํานานได้เงนมากมายศึกษาความี้เอาทิศเอาขั้นเอาเนื้อเอาฐาบนบรรดาปักกันไปอย่งเราไม่ได้ศึกษาหาของจริงซึ่กษอหาของจริงศึกษาเรื่องชีวิตเจอชีวิตเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้อยู่ที่นี่จำํำนวนหลายคนมีคนเอาเงินมาให้จากาเงินน้ำแสนน้ําจะเอาไปฆ่าเอาไหมไม่เอาเลยเจอเราควรศึกษาเรื่องชีวิตจริงๆ ที่มนานานให้ฟังวิธีทำมนันยากแต่เมื่ต้องไม่ต้องถามใครวิญญาณจะมาทํามาแล้วโลยพุทโธอาจมาก็เคยทํามาสัมมาอรหังเราทำมานับหน่งสองสามเรามาพรุงลุ่งเรามาอาณาตาณสิติเราทำมามันไม่จุดข่มลูกสุกนิแต่คนอื่นอาจจะรู้แต่คนสมงบมีอยู่แต่ไม่รู้คสมสงบเขาจะมาทำอะไยรู้ เมื่อมาทํำควรรู้สึกจุ่นี่แหละเคลื่อนไหนก็รู้จิตใจมันคิดก็รู้พิษตาก็รู้หายใจก็รู้เอืองใส้เอื้องหัวก็รู้ควรรู้อันนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากก็ควรไม่ร้คนหนีไปหนีไปเมื่อควรไู้มาได้สมบูรณ์แล้วเหมืนียวกับวิญญาณปัญญาวิปัสนาเกิดขึ้น เรว่ารพัฒนาที่พัฒนาใจคิดนี่พันากับเตรวันที่แนพนากับตรวันรู้แจ้งรู้จึงนั่นเองรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสภาพภาวะของจิตใจมันนึกมันคิดรู้แจ้งรู้จึงเนอะองจึงมีเพียงแค่นี้ ซึ่งที่ไม่จริงนันเราไม่ต้องมาพูดกันเลยเพราะวา่มีนิจจ์แปลเคลื่อนหมายมันต่ว่ามีนิจจ์เ็นินสีแสงผีเรมดาอันนั้นจริงอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นอันนั้นเป็นของไม่จริงเขามาจริงอยู่เนี่ยทะเลจริงมันเห็นจริงเพราะว่ากิเลสมันหลอกเราอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้จิตใจของคนเนี่ยวกวาออกกับได้ไวยุดมีนานไขในตนเราท่าน วันบังคับตอนให้จิตหมุนมาไป ท, ทางข้างดีมุนไปนทางข้างกีข้างกีก็กีเล็กนี่เนี่ยทันที่มีก็จะมีจากนายห้สูญทันที่มีก็สุขุมรู้สึกเองเราพอไม่ได้รู้ตัวเราไปเห็นมีมิตอันนั้นก็ลืมจัวเราเหมืมนอนตู้เราเอามาที่นี่ก็โต้คนลืมตัวลืมจิตลืมใจของเราท่านเองเมื่อเรารู้สึกเจอรู้สึกใจอยู่อย่างเนี้มีมิตเราไม่หลอกหลอกเราไม่ได้ เรื่องทำที่ดีอยู่ทำอยู่แล้วมันมันจาหนี้ไปที่ไหนจอยเมื่อเรารู้สึกล้วอะไรมัาลุกควนไม่ได้แล้วก็เห็นแจ้งรู้จริงจริงเนี่ยเห็นแจ้ก็เห็นสภาพหรืภาวะจิตใจมันนึกคิดเนี่ยเห็นจริงไม่จริงรีวงภาวะเดิมร่วงจากภาวะอะไรสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ติดของจิิงร่วงแต่แล้วคือไม่ไปติดสิ่งที่สมมุติขึ้นมาและไม่ไปติดสิ่งที่เขาโทกโดยของไม่จริง แต่เขาพูดจยนั้นแต่ให้อภัยเขาบ้างก็เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจึงทำเขาไม่รู้เขาจึงพูดสมมติเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ลูกหลานเราเคยทำผิดจะไปโกหกเขาเขาไม่รู้เขาจึงทำถ้าเขารู้เขาจะทำมาทำไมอย่างที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันคนเดียวกันเทะเลาะกันทะเลาะกันดีไหมไม่ดีเขาไม่ดีจะไปทะเลาะทำไมลูกก็ไม่รู้เราพูดได้อย่างที่บ้านอาตมา ใจเนื้ออารมณ์ไม่ดีอย่างอารมณ์ขุณมันแต่ว่าทางทางทางข้าขทางนี้ด้านนั้นจะมาได้ว่าใจหายใจโกรธลูกหลานมาก็ดีใครมาก็ดีจะงมาใกล้กูกูใจหายกูใจไม่ดีโทษได้เนี่คนยคนที่มันใจพะใจนี่เอาทิ้งไปเลยกกันไปแล้วต้องการเมื่อคนคนไม่ดีไม่ต้องการไม่ต้องการจะไปพูดทาไมก็ทิ้งไปเลยกันเลยก็ให้ใจดีขึ้นมา ถ้าเราไม่รู้พูดได้ไม่รู้พูดได้ไม่รู้พู ด, ดรด้อยคําแสนคำหมื่นคาเท่านัก็ตามสู้การกระทํำขั้งเดียวไม่ได้ถ้าเราจะทํำขั้งเดียวมันเป็นของจริงที่ผู้ให้ฟังนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานการก็คือการกระทําฐานก็หมาย ถ, ถึงที่ตั้งของจิตกัรมฐานวิปัสสนาคือรู้จนนี่แหละวิปัสสนาธรรญาวิเศษ ต้นมากระเตงรู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าร่วงภาวะเดิมอะไรจะมาห ล, ลอกลวงเราไม่ได้อันนี้วรู้ถามเห็นทำเข้าใจทำธรรมะจึงคือการทำการพูดการคิดมือไม่เปิเครื่องหมายให้เราอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้าเราหนีจากการเคลื่อนไหวเลยอันนั่นห น, น, นีมิตเป็นที่หนีมิตไมจ่จริงเด็กจิงอาตมาเคยไปนั่งทำกรรมฐานเข็นผี นอนโดยเห็นผ e ียกขึ้นชาดียกขึ้นโดยนาทศเซตไปอย่างเนี <the> ้ยมันก็หายแต่รู้สึกตัวก็หายผีก็หายไปเห็นจริงเจสินนั้นไม่ไม่จริงมันมาหลอกเราเนี่ยดังนี้นอยากใหมันเห็นมามันไม่จะเห็นไม่จะเห็นทําไมมันไปขอไม่จริงอันที่เรากันมือเนี่ยจริงไม่จริงการดีดนียกรไดเดียู่นี้เนี่ยเงินไม่เยอกรไดเดียร์นี้เนี่ยไม่เป็นเพื่อการเดยนี้มันกรไดเดี้เนี้ของจริง เอวใต้เอวขวาได้ดีหมดทุกจุากำหนดรู้จมูกไทยจําละมันละเองความคิดตัวนะั้นนักต้องเจริญทําบ่อยๆเจริญต้องทําบ่อยนะนี่เล่าทำให้แจ้งนะเพรามันรู้คนคิดรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าหมดรู้แจ้งเรื่องจากภาวะเดิมอันนั้นทันวายอย่างนั้นแก่คาพูดไดน้อยอยู่เลยมันมากแก่คนต้องไปเรียนแปล แปลอย่างนั้นแปลอย่างนี้แปลภาษาอาจจะมาพูดนีิจึงสำเวียงคนบางคนฟังอาจจะไม่รู้ดางทีเราแปลภาษาไทยให้เป็นกับภาษาอินเดียแปลจากภาษาอินเดียมาเจนภาษาไทยไม่ต้องติงกอกใจคิดอันนั้นเราสมาธิตั้งใจนุ่มไม่ใช่ว่าสมาธิอย่างที่เราไปทําขึ้นมานั้นอันนั้นก็จิงจึ้งพอทําขึ้นมาแต่ตัวสมาธิเราต้องทํามัน ไม่ต้องทำเที่ยนตั้งใจเท่านั้นเองตำนาเขาเขาบอกดีแล้วแต่เราไปเข้าใจเหนื้อตานาไปสมาธิเราตั้งใจมั่นเขาบอกอย่างนั้นเราก็ต้องไปตั้งใจนั่งหลับตาไปแต่ดีไม่ได้ไม่ดีนะดีเพราะยังดีพอไม่รู้อันนั้นอยากไม่รู้มันถูอธรรมชาตไปแล้วไงไม่ได้ศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆริเราต้องศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆมันก็ต้องรู้กับธรรมชาติมาจริงๆ พระธรรมชาติมันมีให้เราแล้วทุกอย่างแต่เราไม่ศึกษากรบธรรมชาสติมันจึงมไม่รู้กับธรรมชาติมาแต่ไม่ได้ว่าคนนั้นดีคนดีชั่วนะอาตมาพูดเนจริงใจเพราะว่าอ่อนที่จะมาพูดอะไรให้กันฟังก็จะพูดด้วยควจริงใจไม่ได้จะไปโกหกหลอกลวงกันถ้าไปโกหกหลอกลวงกันเป็นยังไงอ้าเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนี่ย ที่นี่ผมละอาเกลียดใจโอตปาขวงเกฑ์ยนขวับ้าคนละอายเกลียดใจจะถือว่าเป็นมนุษย์ได้ไหมมันก็เป็นมนุษย์ได้เพียงเราสมมติว่าใจมันไม่ได้เป็นมนุษย์มันมะอายเกลียดใจเลยมันไม่รู้มันจะพูดไปยังไงโอตาาปาขววงเกลียวนควือไม่กลัวคนอยู่ในที่เนี้จะมีคนรู้เสมอเราหรือหรือจะมีคนรู้เมืเ่นไหร่หรือจะเป็นคนรู้ได้ทําหรือ เขาไม่ได้มีคมละอายอย่างนั้นอันนี้เนี่ยที่พูดให้ฟังเป็นคสร้นงไม่จะปเป็รียนอะไรหรอกคือเรื่องของละอายแก่ใจจัละอายแก่ใจที่บรรา ก, กดขึ้นมานี่เราจะพูดแบบนี้แล้วกลับเปพูดแาบนั้นถ่านว่านามันไม่ดีพูดแบบนี้หอบโคลหอบร่วงทํารอย่างนั้นคนไม่มีบุญนี้ไม่มีผมละอายจะคำว่าหน้าตาแข้งขามือเท่าเป็นคน จิตใจอาจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะไม่เกรงกลัวจบควผิดไม่เกรงกลัวจะอะไรทั้งหมดที่ว่คนไม่รู้ในการทําการพูดกำลังทําอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรไม่รู้จะถือว่าคนมีสติปัญญาไหมมันก็มีสติปัญญาเดียวไม่นก็มีเต็มไม่ใช่สติปัญญาแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธ เ, เจ้าท่านสอนท่านเียสติปัญญาควบคุมในการพูด พวกอย่างนี้คนไม่สามารถที่จะรู้พกอย่านี้คสามารถที่จะรู้ท่ากับดผู้จางนั้นเราเคยได้ยินไหมเป็นอันดับประลิกที่จด้วยะอาจมาศืล อ, นะอเทกอ ย, ยมนี้มาคนก็หาว่าโกงกันเกิไม่โกหกมันจะจีนเขาว่าโกหกแล้วก็ยอมนับว่าวเราโกเกิมีถุนรับของเขาฆ่าตว์ พูดเพื่ออุตลิมนุกน์นะทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนก็ขาดจากความเป็นทิศสูนทิศสูนแปลผู้เห็นภัยขาดจากความเป็นทิศสูนพันธะเป็นทิศสูจะต้อเห็นภัยที่ภัยคือะไรภัยก็คือคมไม่ดีนั่นเองแต่เราสา ม, มารถไปพูดจากนั้นไดน้ถ้าพูดจากนั้นจะถือเป็นผู้เห็นภัยไหมไม่เห็นเห็นแต่ไม่เห็นเป็น เศรษฐีุนเราก็มาพูดกันตามตัวนั้นกลัวหมายถึงจอันข้ามแต่จริงนัแนแต่จริน่มันเป็นสมมติเศรษฐีถุนหมายถึงบุคคลที่ยังอยู่กับโมหะยังมีโมหะครอบงำจิตใจยังมีโทษะมีโลภะเเรียกเศรษฐีุนลักของเขาเขาบอกว่าลักเงินราคาห้ม า, 1, ามาศมาศหนึ่งยี่สิมตำ ข่าจากคอมพิทิฟหรืออันนั้นจริงอยู่รักของเขาหมายถึงเราไปเรียงทรงจามาเราไม่ได้ศึกษาให้มันรู้ตัวจริงไปจำเอาคาพูดตนนั้นไปจำมาคำพูดันนี้มาพูดกัาวันหลังพอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำให้มันเต็มให้มันมนืดเท่านั้นแนวรักของเขาฆ่าตัดไม่ใช่เอาค้อนไปตีฆ่าตัดนั่นตัดอันใดจะได้ไงเขาว่าฆ่าตัาาดคือฆ่าคมจริงในคน เพราะคนทุกคนไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นขเขาเดี๋ยวไปฆ่า น, นันไม่หามันปรากฏเกิดขึ้นเขาเดีฆ่าตัดพูวดอุจลิมนั้นหน้าธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์คือคนที่ทำไม่ได้ไป้มาทําได้เนีย่ยอย่างที่ไปเห็นอย่างที่อาตามาพูดเมื่อกี้เนี่ยจ้างเห็นผีนะจ้า ง, ท ำ, งทำไม่เห็นมันจะเห็นทํำไมอันนั้นเขาขวดขวดอุจลิกของไม่มีมันจะมีได้ทำไมเนี่ยเราเข้าใจอย่างนไง อันนี้เป็นของไม่ง่ายที่จะมาพูดเนี่ยเจ้ให้มันเห็นสัพพะริภาวะของกิกิงกิควรจิงอ่ะคงหลงยจ้าโลภะนี่ ย, โ, ยโมหะโธสตะสามอย่างนี้เราไม่ต้องการทั้งหมดเลยเจ้าเราจะทำยังไงมันก็จะทำคงรู้สึกดิบเองคณรู้สึกแล้วโมหะไปที่ไหนเอาเราไปทำมนรู้ทาทาคเหืวงขึ้นมารู้ เอาทำยังไงมันจะหลงมันไม่มีทําขึ้นไม่ได้อย่างที่เราโน้มไปที่ี่สามอาตมาพีดมันไม่โกนเอาทำมันโกนขึ้นมาหน่อยไปเอาทำมันให้มันโกนขึ้นมามันโกนขึ้นไม่ได้เนยมันไม่มีเห็นเปล่าจ๊ะเนี่ยเอาโลภะเอาของคนที่ไม่ให้เราจะเอาร้เนยเอาเอามันมันเอาไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีตันมีคนหลายอาบันี้คนรม้สึกมีไม่มี กรรมมีรู้เนี่ยเขาดีมีไม่มีเนี่ยไม่ไดีใช่ไหมปัญญามีไม่มีอันนี้เราทําได้ซึ่งนั่นมันทำไม่ได้มันไม่มีดังนั้นพะระพุทเจ้าท่านสอนของที่มีจริงให้คนมีปัญญาเอาไปใช้กับชีวิตนี่จริงๆนั่นเป็นหน้าที่เราทําได้อย่างที่อาตมาพูดที่ทําได้แต่ไม่เหมือนกับที่อย่างที่ทํามาแล้วอย่างที่ทํามาแล้วอาตมาแม้มาพูดอย่างที่พุโทโธ ภาวนาหายใจเข้าคุดหายใจออกโธอาสมาก็าเคยทำมาดีอะไรก็ดีอเรียกพระพุทธเจ้ามาไว้ที่หัวใจของเราก็ดีแต่พระพุทธเจ้าจะเอ า, เามาไว้หัวใจเราได้ทำไมหัวใจเรามีเต็มแล้วนี่เรามีสองตาแล้วนี่เอามาใส่ซีตาได้ไหมไม่ได้หูมีสองหูเอามาใส่อีกจุ่สองหูได้ไหรือไม่ได้มันมีเฉพาะเฉพาะจนนั่นเองทุกคนที่บรรจุลงพอดีแล้วมุ่งกับกินข้าวนี่เอง บรรจุงลยไปในกระเพาะละพ อ, พอดีกับพอดีเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาที่ตัวของเราน่ยมันจบขึ้นได้มันจบขึ้นได้คนโบราณท่านสอนเอาล่าข้อมสอกนาวาหนาขึ้นมือพร้อมแล้วถ้าเราศึกษาได้ทุกอย่างเมื่อเราไม่ศึกษาที่ตรงนี้เราก็าไปศึกษาในประวัติศาสตร์ไปจำเอาในประวัติศาสตร์แล้วก็ไปสอนกันเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนของจริง อาตมาพูดให้กล้าพูดไดออ้ลองดูนะวันนี้ถ้าัใครมีสามีภรรยาไปที่บ้านนะเนเกลียนตัวราดูใจเราพอนีคนนั้นโกขึ้นให้เราจะไปดูคนนั้นแต่ตาดูคนใจต้องอยู่ที่ใจเราจะตีคุ้มใจแลวไม่จะโกงขึ้นไม่โกขึ้นไม่ได้แล้วก็คิดถึงเขาโพก แต่เขาไม่รู้จักว่าเขาทุกข์เขาจึงอยู่ด้วยทกกินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์เขานั่งอยู่ด้วยทุกท ก, กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกขจะว่าอะไรเราก็ว่าสัตว์ิรสามแต่นหน้าสงสารหน้าให้อภัยแก่เขาเพราะเขาไม่รู้เนี่ยท่านสอนอย่างนั้นแต่เราพอดีฟ้ามีพล น, นายเขาโขึ้นมาแล้วก็โค้ชต่อเขาเนี่ยไปอย่างไรเราเขาไม่รู้จักทุกั้งสองทางเลยจะไปสอนใครไปเนี่ย อยากกอ่าโกรธอาเจ้าจะไโกรธอยู่แล้วนี่มันยังมีปัญหาอะไรนะที่พูดให้ฟังสั้นๆทุกท่านศึกษาเราเรียนม า, มากอาจจะมาเอเคียงหนังสือไม่เต็มก็พูดให้ฟังแล้วอาา่านหนังสือไม่ได้จะ ท, ทำไมรู้อย่างนี้ได้ก็มันมีในเราก็ทําอะไรมันกหมดทางก็จําเป็นต้องหมดตามมือเย็ดมือก็รู้ได้ออา ทีแร really, แกเ ร, ราไม่รู้เราก็รู้ธรรมนากรรมเลยนี้รู้ะจ้ากรรมนิ้ิมันเนี่ยมันจะรู้จากอันนี้มันเป็นรู้รู้กรรมนามแยกกันไม่ได้พระพุทธเจ้าชี้โอกมนะให้รู้จักรู้นามรู้ทำนามทำ ร, รู้โลกนามโลกคุกของอนนังอนิจจังนัพตานสมมติเนี่ยแล้วก็รู้จากศาสนาพุทธศาสน า, ศาให้รู้จักบาปรู้จาก บ, บุญอันนี้เป็นขั้นต้นพื้นฐานต้องรู้ต้องไซสตีปัญญาให้รู้ เมื่อรู้อันนี้เราก็ต้องพยายามดูจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมาจิตใจมันคิดเราก็ต้องเห็นต้งองรู้เพราะในบรรู้เราก็กลับคืนมาอยู่กับการเคลื่อนไหวมันคิดเรื่องหน้าขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ทางนี้คันธันเราไปอยู่ข้างนั้นแล้วสังขารถูกปูนไปเขาว่าเรียวาสังขานสังขารที่ราปูนนั่นเหมือเมื่อเราถอนมาอยู่ทางนี้นมันก็เลยไม่ปูงมันก็เลยไม่ได้คิดสังขารไปหยุ์คิดกวาดลืมสังขา í, เรขาเขาว่าอย่างนั้น ตำาเขาพูดอย่างนั้นเลยกระตือวพูดตำาเปนตัวสังขารวิญญาณวิญญาณเตลารู้ไม่ได่วิญญาณตายแล้วแล้วอะไรแต่อางนั้นอากนั้นอันนั้นเป็นปเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเขาแตกกันมาวิญญาณน่้นต้องร้องรอยแต่อย่างนั้นย่งนี้อันนั้นก็พูกเหมือนกันวิญญาณเตรารู้ถ้าเัาไม่มีตาจะรู้ไหมมวก็ต้องมีตาที่หม่รู้ไม่มีมุกจะรู้ไหมมุก็ไม่รู้แต่คนมีตา แต่ตาบอกมันจะรู้ไหมก็ตาหมดบินหยาบที่บั น, นี้กิูคนมีหูจะมีหูหงอกแต่ ค, คนหมดิน ญ, ญาบสิ่งที่เรารู้ไม่ได้แต่ว่าหมดบินหยาบที่พูดทำ ม, มาให้ฟังวันนี้ก็อาจจะสับสนวุ่นวาย ก, กันไปนะแต่เพียงว่าฟังกันหลายหลายเรื่องหลายประเด็นแต่ที่คือว่าจะดูเปลี่ยนแค่นี้เพระพูดมากก็ต้องจําไม่ได้นะ จำเห่อข้อประเด็นสั้นๆขอเนอื้อผิดหนึ่งคือให้เรารู้สึกตัวกลับไปบ้านเนี่ยถ้าเรามีสามีก็ดีมีภรรยาก็ดีมีลูกที่รังก็ดีพอดีไปถึงบางเขาจะพูดเอกอ่ะว่าทำอย่างนั้นเน่ยเราจะไปดูเขาเจะตาดูแต่ให้เรารู้สึกใจเนี่ให้เรารู้สึกจริงๆถ้าเราไม่รู้เราก็จะพยายามเอาเมือปับตัวนี้ก็ได้ปักเนี่ย เนี่ยบางทีมันจะเจ็บเจ็บ้า ม, มันจะรู้แต่คุณมาเข้ามาดูตรงนี้เอ๊ะหลวงพ่อสั่งบอว่าดูใจนะจะดูใจครับมันจะคิดยังไงดูใจนี่เป็นวิธีง่ า, ายๆศึกษาบ่อยๆควรํานานจะเกิดขึ้นมิ้วสเขียนหนังสือที่แรกเขียนคอไก่เนี่ยนานวันนี้ยเป็นสามสีห้าวันจึงจะเป็นวันนี้พขจะเขียนคอไก่ให้สวยใานก็ต้องเป็นเดือนเนี่ยวันนี้เราทำอย่าง น, นี้ทําทำบ่อยๆเนี่ยทีแรกมันจะรั่น้อย ทำโบโบสั่งลูกเขาลูกเขาไม่ต้องทําอะไรก็ได้วันนี้มันคิดกจะต้องลูกทันทีเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรพูดธรรมะคนสั้นวันนี้อาตจจมาได้นำธรรมะมาเล่าให้พวกท่านผู้มีศรัทธาควาเรื่องใสอยากประพฤติปฏิบัติธรรมทำกรรมาฐานอย่างรัดลัดคนสั้นเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราที่พูดนทุกคนทาได้ ไม่ยกเว้นเลยเพราะว่ารู้ธรรมะจ้างรู้อย่างเดียวกันเท่า น, นั้นถ้ารู้ผิดอย่างนี้แต่แลแรกไม่ใช่ธรรมะแต่มันเป็นธรรมะที่ไม่ใช่รู้อย่างเดียวกันได้นุนทุกคนต้องมีจิตรู้ใจเจ้าศึกษาใจเราจะไปศึกษาใจคนอื่นคาว่าพระอราหันต์เนี่ยแตอย่าเข้าใจมากเกินไปแต่มันมีอีกที่ปฏิหารอย่างพระพุทเจา้านันมีถ้าหาพระเจ้ามีตาทิกจริงจริงดูหูทุกจริงจริงๆ คนมีตัญญาฝังได้อย่างที่อาตมาพูดนี่อุปการภูมิอกถามทีแรกคือมันมีตาทิพย์มันเป็นตีนเลงานดูพูดให้อุปการภูมิวกคนเข้าใจทันทีบอกพระพุทธเจ้ า, าท่านดูใจใจของท่านเองเมื่อว่าคนอื่นยืนน้อยกับเราจะมันไม่เหมือนกันกันกบเราที่เป็นปุกุสส น, นอย่างเด่เอาและวันนี้อาตมาได้นำธรรมะมาเล่าสู่คนงวันนี้ก็เห็นว่าสุขวรเกเวลาแล้วถ้าที่พุดนี่ อาสมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าแล ะ, ะำคตธรรมคํำสอนขององค์เสเด็จพระสมาสัมพริเจ้าเลือกคุณขอพระอนันตา ส, า ร, สารุปัสสมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราทำความรู้สึกเลวสติอยู่ที่เนื้อที่ใจจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้จักเมื่อนอนกลางคืนมันฝันก็นให้รู้อย่าเข้าใจในความฝัน กางคืนเป็นสันการวันเป็นคิดเราฉะนั้นควรคิดมันคิดอย่าเข้าไปในความคิดให้มายู่กับปมรู้สึกควรฝัน ม, มันสันอย่าเข้าไปในความฝันให้มาอยู่กับปมรู้สึกเพราะพระเจ้าธรรมทุกต้องกำหนดรู้สมุทยัยต้องละอันนั้นมันจะหยุดเองขอให้พวกเราได้ประสบกับความสุขแต่ไม่ใช่สุขนะควาสุขก็หมายถึงไม่ถูกปง สังขานไม่ถูกปรุงเดี็กปิ่นี้สังขานขอให้ทุกคนทุกคนเนี่ยพยายามทำตัวของตัวอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นมาทําให้เราให้คนนี้มาทําให้เราให้บุญมาช่วยเราให้พระพรุทธเจ้าองนั้นองนี้มาช่วยเราช่วยไม่ได้ถ้าพระพรุทธเจ้าเพียงแต่แนะแนววิธีเท่านั้นเองจะตถาตลรตถาคตาถ้ า, าตถ า, า, ตาคตก็จะเพียงผู้แนะแนวผู้กระทําบันทือเองเป็นคนทํา ขอให้ทุกคนจงปลาโพบเพ็นเอาในสิบินี้จงทุกท่านทุกคนเออ